a l l a b a r a l l a h r a l a h r b r a l h u a r r a h a l h a u l l l a h r a b b l a l a a b h a a a l l a h u a a l l a l a u h a a a a l a u a l a k u a r a h a u l l a h a b a r a k a u h ขอความสันติความจำเริญจอละได้โปรดประสบเดชพี่น้องผู้มาศึกษาวิชาตัพซสิทธิ์ในวันนี้ทุกท่านวันนี้ครับเรายังอยู่ในสุราหุดนะ วันนี้อายะที่40ถึงอายะที่43 40 41 42 43เนื้อหาคร่าวๆนะพี่น้องทําไมเอย่ยเป็นประวัติของท่านนาบีโนอลัยสซาลามอยู่ในสุลฮูดแต่ว่าเป็นประวัติของนบีโนะในอายะที่40ถึงอายะที่43เนี่ยเหตุการณ์มาถึงตอนที่ว่า น้ำท่วมแล้วและกระเรีนบีนวลเนี่ยลอยขึ้นมาแล้วนะครานนี้ก่อนจะมาถึงอายะที่40ผมขอเชื่อมนิดหนึ่งนะครับเพระสัปดาห์ที่แล้วจะอายะสอ น, นถึงอายะที่38แล้วก็39เนี่ยผมไม่ได้เอามาด้วยเพราะเนื้อหาเนี่ยมันเป็นคนละช่วงกันนะแต่ผมจะทวน39ไว้ก่อนเพื่อจะได้เชื่อมให้มันติด ในอายะห์ที่สามสิบแปดแล้วก็อายะห์ก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับอลัลลอฮ์เล่าให้ฟังว่าตอนที่นบีนวัวต่อเรือขึ้นมาเนี่ยคนก็มายเยอะเย้ยมาว่ามันไม่ค่อยไม่ค่อยกินกับปัญญาเท่าไหร่ต่อเรือบนเขาน้ําอยู่ไหนก็นไม่ทราบแล้วทําเรือขึ้นมาทําไมนะครับในอายะห์ที่สามสิบเก้าอัลลอฮ์ตรัสไว้ว่า ฟาซาลฟัตะละมูนาอาลัลลอฮบอกว่าพวกท่านจะได้รู้จะได้ทราบไมยะตีฮีอดาบุนจะได้ทราบว่าใครที่จะนำการลงโทษมายุกซีฮีนะครับแล้วก็สร้างความอัิยศวัยฮินลูอะลลฮีอดาบุนมุกิม เอเล่บอกว่าการลงโทษคอรนั้นเป็นอาดาบุญมุกีมเป็นการลงโทษที่จะคงอยู่กับพวกเขาอ่าคนเหล่านั้นว่าย่ะเย้ยนบีนวัวต่อเรือทอาําไมอเล่บอกว่าเดี๋ยวจะทราบเดี๋ยวจะทราบว่าอะไรคือการลงโทษขออเล่นั่นคืออายาที่สาสิบเก้าซึ่งไม่ได้อยู่ในเนื้อหาในวันนี้นะครับผมเชื่อไม่ฟังในอายาที่สี่สิบเหตุการณ์ก็ มาถึงตอนที่น้ำท่วมโลกประเด็นน้ำท่วมโลกนะบีนุ่นมีประเด็นย่อยหลายประเด็นนะครับเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะในอายะ์ที่สี่สิบอัลล์ตรัสไว้ว่าฮัตตาอิดาจาอัมรุนาจนกระทั่งเมื่อคำสั่งของอัลลอ์เนี่ยได้มาถึงสั่งในที่นี้หมายถึงยังไงครับ สั่งให้มีน้ําท่วมน้ําท่วมมาจากไหนเอ่ยอเลบอกว่า well, วาฟาร์ตันนูตตันนูตจริงแปลว่าเตานะในที่นี้ในะกูอ่านเปรียบเทียบวา่าเตามันเดือยพุง่งก็คือเหมือนในน้ำเวลาที่ต้มเดือดในเตาแล้วเนี่ยมันปะทุขึ้นมานัทซิดให้ความหมายอธิบายว่าหมายถึงน้ําที่พวยพุง่งขึ้นมาจากพื้นดิน สิ่งที่เราทราจบจากประวัตินปีนูวตอนเด็กๆ็กก็คือฝนตกหนักและการาน้ำท่วมจริงๆแล้วไม่ใช่ฝนขี่ขบนอย่างเดียวข้างล่างน้ำก็พวยพุ่นขึ้นมาด้วยว่าฟารัตตั น, นตุษตนะครับหลังจากนั้นทำไมเอ่ยเอเลอตัาว่าอิห์มินฟีฮามินกุนดิเจลใหญนิสไนนี่จนบรรทุก นะครับมาถึงขนยื่นไปในเรือเอนี่ยมิงกุลกลินซามิงกุลลินเซาใหญ่นี่เรื่องการอ่านเดี๋ยวเรามีประเด็นนิดหนึ่งมิงกุลลินเซาใหญ่นิดในนี่นะครับทุกๆคู่ทุกๆชนิดหมายถึงสัตว์ทุกชนิดเนี่ยที่เป็นคู่คู่พาขึ้นเรือไปในก็อ่านที่เราอ่านปัจจุบันเนี่ยนะครับเป็นกีราอาร์ของฮัฟตอ่าว่ามิงกุลลินเป็นกัสราไต มินกุลลินเจ้ายหญ่นิสไนนี่นะแต่ว่าในกิรออาอื่นอ่านว่ามินกุลลีเจ้าใหญ่นี่จากกัสราไตเป็นกาสราอันนี้ให้เกตความรู้เฉยไม่ได้ส่งผลต่อความหมายละมาซ้อไม่ซ้อไม่เกี่ยวนะครับซ้อเหมือนกันหมดแต่เล่าให้ฟังว่ากิรออาที่เราอ่านอยู่อย่างที่ว่าฮัฟซอันอาซิมอ่านเป็นกุลลินเจ้ายหญ่นี่แต่ว่าในกิรออาอื่นส่วนมากเนี่ยนะครับยูมูฮูดเนี่ยจะอ่านว่ามินกุลลีเจ้ายหญ่นิสไนนี่ ไม่สผลต่อไม่สมงผลต่อความหมายนะออวันนี้ผมพูดตึงกิราอานนิดหนึง่งพอต่อไปมันจะมีบ ah ิสมิลลาฮิมัจเรฮานอ่านเป็นอิมาลาแบบเนี้ยไม่ค่อยมีในกุอา่านก็เลยแตะเรื่องกิร่อ่านในการอ่านนิดหนึง่งอลัลลอ์บอกว่าให้นำขึ้นเรือขึ้นไปอะไรล่ะมินกุ ล, ลินเจลยานิสไนนี่กุ ล, ลินกุ ล, ลีก็แล้วแต่นะครับทำไมเอ่ยทุกๆุกคู่ ในที่นี้เราก็จะทราบว่าบนเรือนะบี น, นนะุ่นมีอะไรบ้างหนึ่งมีสัตว์คู่ดึงตัวผู้แล้วก็ตัวเมียอา้าวอย่างที่เราทราบกันดีสิงโตช้างมา้าอะไรกันแล้วแต่เพอจะปล่อยไว้น้ํามันจะท่วมอา้าวขนขึ้นเรือไปทไําไมต้องขึ้นเป็นคู่ล่ะตัวผู้ตัวเมียมันจะประสมพันธ์กันได้มันจะได้มีสูงพันธุ์มีลูกมีหลาน อันนี้คือผู้โดยสารประเภทที่หนึ่งสัตว์ประเภทต่างๆเป็นคู่พูดโดยสารประเภทที่สองบนเรือนบีนัวมีใครบ้างวัวอะและกะและก็ครอบครัวของท่านเห็นภาพอย่างพี่น้องเรือนบีนัวยังไงก็ไม่ทราบนะใหญ่ผู้โดยสารกลุ่มที่หนึ่งก็คือสัตว์ทุกคู่ตัวผู้ตัวเมียผููโดยสารประเภทที่สองเรียนลําดับตามอายะ น, นี้นะครับวัอะและกะ และก็ครอบครัวนะบีนวนะแต่ว่าก็อ่านเล่าให้ฟังต่อว่าไม่ใช่ครอบครัวนบีนวทั้งหมดครับทำไมเอ่ยอิลลามันซาบาก็าอะไลฮิเกาครอบครัวของท่านแต่ไม่ใช่ครอบครัวนบีนัวทุกคนเว้นแต่ว่าคนที่อัลลอฮ์เนี่ยได้เตือนเขาแลว้วมันซาบาก็าอะไลฮิเกวแปลว่าอีดหมายถึงว่า นบี เ, เตือนแล้วล้อ เ, เตือนแล้วว่าทำไม่ขึ้นเรือไม่ศรัทธาแล้วจะได้รับการลงโทษความหมายที่เราได้ตรงนี้นบี่น้องครอบครัวนบีนัวไม่ใช่ทุกคนที่ได้ขึ้นเรือพี่น้องเคยทราบว่ามีลูกนบีนัวนะครับชื่ออะไรชื่อกันอ่านนะบางคนก็บอกไม่ใช่ชื่อกันอ่านนะชื่อยามันก็นแล้วแต่แต่ที่เราทราบปฏิอุาะฟังบอดนบีนัวเนี่ยชื่อกันอาน เป็นลูกคนหนึ่งเป็นครอบครัวนบดุลเนาะไหมเป็นแต่ว่าไม่ได้ขึ้นบนเรือก็อ่อานบอกคนที่เอาขึ้นบนเรือได้คือว่าอะฮ์ลักกาครอบครัวของท่านเวนเซแต่อิลันอนิลลามันซาบะก็อะไรหินเก้าเวนเซแต่ค ร, ครบอบครัวของท่านคนที่ไม่ศรัทธาคนที่เอาลอดด็อตเตเตือนได้บอกแล้วว่าจะมีการลงโทษครอบครัวอบดนลเนานไม่ศรัทธาทุกคนอ่าวันนี้ได้ความรู้เพิ่มนะครับแค่นี้ไม่ใช่แค่ ลูกอย่างเดียวลูกน บ, บีนุ่นที่ไม่ศรัทธาเนี่ยมีภรรยาของน บ, บีนุ่นด้วยที่ไม่ศรัทธาอ้าว เ, เอาหลักฐานมาจากไหนครับเอามาจากสวุวรรณตระลีมอายาที่สิบลองดูกันนะครับอันนี้เป็นความรู้เพิ่มในประวัติน บ, บีนุ่นไม่ใช่แค่ลูกนะมีภรรยาด้วยอลัลลอฮฺตรัสไว้ว่าวะดอเ บ, บาลลูมัสลันอัลลอฮฺได้ยกตัวอย่าง ไม่ได้อยู่ในนิายอยู่ในซอตาเรมแต่ว่าก็อ่านในีบางทีอธิบายซึ่งกันและกันลินลาดีนาแมนุ่มดีกว่านะครับเอ่ออายะที่สิบนะครับนะกบอกลอหุมตสลันลินลาดีนกาฟาโรอัลลอฮยกตัวอย่างแก่คนซึ่งทำไมเอย่ยปฏิเสธมีใครบ้างอิมราตันูฮินวัมราตันตูติน มีภรรยาของนบีนัวและกัภรรยาของนบีลูดปกติเวลาที่เรายกตัวอย่างเนี่ยสามีเป็นคนดีภรรยาเป็นคนไม่ดีนึกถึงใครนึกถึงนบีลูดภรรยาเนี่ยไม่ได้อพยพไปกับนบีลูดวันนี้ทราบด้วยว่ามีภรรยานาบีนัว ด, ด้วยซึ่งไม่เชื่ผู้ศรัทธานาซับซีเชิญบทศึกษาที่ว่าว่นานบีนัวนมีภรรยาสองคนนะคนหนึ่งศรัทธาคนหนึ่งไม่ศรัทธา คนที่ไม่ศรัทธาเนี่ยก็คือคนที่ถูกกล่าวในอายะที่สี่สิตรงนี้ที่บอกว่าไม่ใช่ครอบครัวของนบีนนาะเพราะว่าไม่ศรัทธาแล้วก็ถูกกล่าวอีกทีในสุรัสตารีมอายะที่สิบภรรยาของนบีเนาหนึ่งคนที่ที่ไม่ศรัทธาแล้วกันอานหรือว่ายามันชื่อไหนก็นแล้วแต่ก็เป็นลูกของภรรยาคนนี้เหมือนกันที่ต่อไปนบีนนาะจะเล่าว่าให้ขึ้นเรือมาขึ้นมาลูกบอไม่ขึ้นจะไปหลบที่ภูเขาสุดท้ายน้ํากระพัด ท่วมจมน้ําตาเนี่ยก็เป็นลูกที่มาจากภรรยานี้เหมือนกันที่ไม่ศรัทธาเพระเวลาที่เราสอนอยนะ่างส่วนมากเวลายกตัวอย่างนะถ้าสามีดีภรรยาไม่ดีนึกถึงใครนึกถึงนบีรูดสามีเป็นนาบีภรรยาไม่ดีวันนี้ทราบด้วยมีนาบีนุย่ยคนหนึ่งนะครับเวลาพูดถึงภรรยาดีสามีไม่ดีนึกถึงใครนึกถึงอาซียาภรรยาของขอฟิร์เอาเอา้าว พูดถึงลูกดีพ่อไม่ดีนึกถึงใครนึกถึงนบีบรอฮีมลูกเป็นนบีพ่อเป็นอาซาดอาซาดเป็นชื่อนะครับปั่นลูกปัน่นบางคนก็บอกไม่ใช่พ่อเป็นลุงอ้าวก็กแล้วแต่เมื่อกี้อะไรนะลูกดีพ่อไม่ดีข้อ น, นี้พ่อดีลูกไม่ดีนึกถึงใครก็นึกถึงนบีนัวอีกพ่อเป็นลูกมีลูกซึ่งทําไมไม่ยอมขึ้นเรือกับนบีนัวอันนี้เป็นเป็นเกิดประวัติศาสตร์อ้าวกลับมาที่ผู้ดโดยสารในเรือนบีนัว นะครับมินกุลหรือเรีวใหญนิสไนนี่สัตว์เป็นคู่คู่ประเภทที่หนึ่งผู้โดยสารกลุ่มที่สองครับว่าอะเลกาครอบครัวอนะบีนัวแต่ว่าไม่ใช่ครอบครัวทุกคนนะมีบางคนที่ไม่ศรัทธาก็ไม่ได้ขึ้นเรือด้วยกลุ่มที่สามวามันอามานะ่าแล้วก็คนที่ศรัทธาเป็นผู้โดยสารกลุ่มที่สามที่ทําไมเอ่ย ที่ขึ้นเรือกับนบีนัวมีสัตว์มีก็คว น, นบีนัวแล้วก็มีผู้ศรัทธาในอยกากรานเล่าต่อว่าวุามาอามะานามาอาหูอิลลากอลีลุนไม่มีใครศรัทธาต่อนบีนัวเว้นแต่จํานวนที่เล็กน้อยเท่านั้นเราถึงทราบว่าคนที่ขึ้นเรือกับนบีนัวสมมารเรือที่สร้างใหญ่เนี่ยผู้โดยสารสวมมาไม่ใช่คนเป็นน้องเป็นสัตว์ สัตว์ได้ประโยชน์เยอะกว่าคนเ่าคนไม่ศรัทธากูอ่นานบอกว่าคนที่ศรัทธาตอนในปีนู่นไม่เยอะอิลากอรีลุนมีน้อยก็มานักวิชาการนักตัพซีนักบริษสทก็มาคุยกันว่าไอที่ว่าน้อยเนี่ยมันกี่คนก็มีการประมาณการขึ้นมานี่คือประมาณการนะอาจจะคาดเคื่ออาจจะผิดก็ประมาณการผิดน้องเข้าใจนะก็ประมาณการเจ็ดสิบกว่าคนประมาณการแบบนี้ก็ประมาณเจ็สิบถึงแปดสิบคนไม่เยอะถ้าเทียบกับ ระยะเวลาทินบีนว่าทำการเผยแพร่ศาสนา950ปีผลที่ได้มีผู้ศรัทธาไม่นับคนในครอบครัวยังศรัทธามาทุกคนเลยพยาอีกคนก็ไม่ศรัทธาลูกบางคนก็ไม่ศรัทธาแล้วก็ผู้ศรัทธามีประมาณแค่70กว่าคนเอาตีให้80เลยกลมๆเห็นภาพนะพี่น้องคราวนี้ในอายะห์ะมาณอายะห์ที่41นะครับอัลลอ์ตรัสไว้ว่าอะไรเอ่ย อวกอรับอวกอล้ ก, ลกบูฟีฮานาอาะอัลลอฮบอกว่าพวกท่านทั้งหลายจงโดยสารขึ้นเรือไปบิสมิลลาฮิมัจเรฮาวมุรซาฮานี่อันนี้เป็นดุอาที่เวลาจะขึ้นเรือเวลาขึ้นรถมีดุอาไหมมีนะขึ้นเครื่องบินเนี่ยบางคนจะถามอา้าวดุอาขึ้นรถมี สุบานั่นแหละดีถ้าฮะดาวมาคุณดาวหูมุกอนีนี่ขึ้นรถขึ้นเรือมีไม่มีนี่ในอาญาณีบิสมิลลาฮิมันจเราาหาวมุรซาห์อ้าเรขึ้นกครบินไหลเรือดำน้ำไหลรีคอปเตอร์เออบางคนก็บอกเอาใช้ใช้ใชดูอาขึ้นรถนั่นแหละพหาหนะส่วนมากใช้ดูอาขึ้นรถแต่ว่าเฉพาะเรือเท่านั้นที่ทาไมเอ่ยที่ยกเว้นมาเพราะว่ามีกรณีเฉพาะของ น, นบีนัวบิสมิลลาฮิมันจเรหาวมุรซาห์ อัลลอฮ์บอกว่าให้โดยสารขึ้นไปที่เรือซีห่าห่าในทุนี้หมายถึงหมายถึงสฟีนะหมายถึงเรือนบีนัวด้วยกับบิสมิลลาฮีด้วยกั บ, hi, กบพระนามของอัลลอฮ์มัจรห่าวะมุลสาหาผู้ที่ทำไมเอย่ยทั้งในตามที่มัจเรห์แปลว่าตอนที่มันไหลตอนนี้มันเคลื่อนที่ <Okay. S 1> เรือมันโดยมันเคลื่อนที่ไปวะมุลสาหาและก็ตอนนี้มันจอด โดยสารคือเรือแล้วจะมันจะเล่นไปก็บิสมิลลาฮิด้วยกับพระนามขอลุลลอฮ์มันจะจอดก็ด้วยกับด้วยกับพระนามของอัลลอฮ์เหมือนกันนะเพราะว่าเรือนบี น, นู่นนี่ตั้งแต่ตอนที่เรือออกแล้วก็เรือจอดนี่ก็มีประเด็นเหมือนกันเพราะอะไรล่ะตอนที่ขึ้นเรือเนี่ยชาการเนี่ยมันฉุกระหุนะพี่น้องฝนตกมาน้ําทะลักมาจากดินสัตว์ก็ต้อนขึ้น ครอบครัวบางคนนบีนุก็เอาลูกขึ้นมาคนบางคนขึ้นบางคนไม่ขึ้นสาการมันฉุกและหุกเวลาโดยสารเนี่ยนะครับโดยสารเด็กกับพระนามขอร้องขอความคุ้มครองจะล้อไปแล้วตอนที่นบีนุเวลาเรือมันน้ํามันแห้งเวลาจอดเนี่ยนบีนุก็บางคนในประวัติบาประวัติบอกว่าส่งนกพิราบไปไปเกาะเห็นดินกลับมาอ้าวฐานนกพิราบเป็นสีแดงบางคนก็เป็นเรื่องเล่ามานะครับจริงไหมจริงก็ต้องไปตรวจสอบสายรายงานอีกที แต่ว่าโดยกับการโดยสารเรือของนบนนีนุ่นเนี่ยพี่น้องในสภาพที่น้ํามันท่วมนี่นะตอนที่โดยสารก็ดีตอนที่จอดก็ดีบิสมิลลาฮิด้วยกับด้วยกับพระนามของอัลลอฮ์มีประเด็นอีกเกี่ยวกับนบี น, นุ่นประเด็นเยอะพีน่น้องน้ําท่วมท่วมขนาดไหนท่วมทั้งโลกใช่ไหมหรือว่าท่วมเฉพาะบางพื้นที่อันนี้ก็มีสองสองทัศนะบางคนบอกท่วมทั้งโลกเลย เพราะว่าในในอัยากูฮานบอกวันนี้ไม่มีสิ่งไหนจะรอดแล้วยกเว้นเรือเนี่ยเรือนบีนัววิธีการที่จะรอดพ้นเนี่ยก็เลยบอกก็เลยตีความว่าท่วมทั้งโลกแหละเรือนบีนัวเป็นกลุ่มชนเดียวของมนุษย์ที่รอดอยู่เจ็ดสิบกว่าคนก่อนที่จะลงมาจะเรือแต่งงานกันแล้วก็แพร่กระจายนะครับเพิ่มจํมานวนประชากรเนี่ยมีแค่นบีนัวนี่ทัศนะที่หนึ่ง ทศนาที่สองเนี่ยบอกว่าท่วมเฉพาะพื้นที่เฉพาะพื้นที่ทินาบีนวัวอยู่ก็ประมาณการก็ว่าอยู่ตรงไหนมองคนบอกเธอทนบีนวัวไปค้างอยู่ที่บุเขายูดีเนี่ยในจังว่าเช่ยงบุคคลยูดีอยู่ที่ชายแดนประเทศตุรกีเป็นรูปเรืออยู่ตุรกีกับกับอิรักมันจะมีจังหวัดชื่อดาฮูกเป็นของพวกเคิร์ดอ่าวมีเรืออยู่บางคนว่าตรงนี้บางคนว่าตรงนั้น ท่วมเฉพาะพื้นที่เมโสโปเตเมียและกะตีขึ้นไปถึงตัวกีเนี่ยท่วมเฉพาะตรงนั้นพอมองว่าเอท่วมทั้งโลกเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยากอย่าไรก็แล้วแต่น้ำท่วมโลกเนี่ยพี่น้องไม่ได้มีเฉพาะในคุรานนะมีกันทั้งในคำพีของพวกพราหมณ์ฮินดูในพวกอินเดียเดนก็ยังมีกินการเมสมหมากากินการเมสก็มีไบเบิลก็มี ค่อนข้างที่จะเป็นสากลเลยเกี่ยวกับน้ําท่วมโลกพี่น้องแล้วก็ไปดูหลักธงหลักฐานเกี่ยวกับซากหอยซากอะไรตามภูเขาก็ในบริเวณนั้นนะพี่น้องเขาก็ยืนยันว่าในข้างหนึ่งน้ำเนี่ยมันเคยมาถึงระดับนี้สอดคล้องกับสิ่งที่ถูกกล่าวไว้ในพระคัมภีรจะเป็นคัมภีร์ในความเชื่อไหนและหลายความเชื่อเกี่ยวกับตำนานน้ําท่วมท่วมทั้งโลกท่วมเฉพาะพื้นที่ก็วลเหลาอาลำก็เป็นประเด็นถกเถียงทางวิชาการนะครับ อ่าอันนี้ประเด็นที่หนึ่งนะน้ำท่วมท่วมขนาดไหนประเด็นที่สองนะในอยายะุกอานในอยานอยะที่สี่สิบเนี่ยเล่ า, ลารายละเอียดให้ฟังว่าทำไมเอ่ยว่าคนที่อยู่บนเรือเนี่ยมันน้อยพี่น้องอก็พะอบลอบีนัวกับไปไม่หมดมันจะส่งผลต่อมาเพราะว่าตอนที่นับอาบีนัวน้ำแห้งแล้วเนี่ย คนที่เขาลกลูกหลานนาบีนัวที่ลงมาจากเรือนาบีนัวแล้วก็ทำไมล่ะแต่งงานการขยายเผ่าพัานธุ์เดินทางแยกย้ายกับบนหน้าแผ่นดินเนี่ยเขาก็นับเป็นสายตระกูลเช่นคนอาหรับเนี่ยนอาหรับยิวพวกที่อยู่เมโสโปเตเมียนจะพวกบาบินกดีพวกฟินิเชียนกดีพวกยูการิที่อยู่แถวนั้นเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็น ถ้านับตามภาษานาเป็นตระกูลภาษาเซมิติกสืบไปก็คือลูกของซามนาบีนุ่นมีลูกคนนึงชื่อว่าซามไม่นจ่ซ า, ามแบบเร็วซามนะซีนซีนอลีฟแล้วก็มีมอันนี้ลูกคนที่หนึ่งซามแล้วก็มองว่าเชื้อสายของซามลูกนบีนุ่นเนี่ยก็แบ่งแยกออกมาเป็นตระกูลภาษาเซมิติกจะเป็นอาหรับเป็นฮิบบูพวกบาบิโลเนียนพวกอัคคาเดียนพวกนี้เนี่ยสืบสายไปที่ไปที่ไปที่ซาม ลูกน บ, บีน้ยคนหนึ่งชื่อว่าฮามในภาษาอาหรับใช้ตัวฮาเล็กฮาอาลีบแล้วก็มีมชื่อว่าฮามฮามคนนี้เนี่ยเป็นต้นตระกูลของทางพวกแอฟริกาภาษาอะไรมันจะดูสายตะกูลภาษาเออเดี๋ยวก่อนนะเซมิติกอัฟโฟเอเซติกก็มีพวก ขุสดิคพเบเบอร์เนี่ยมาจากตระกูลสายฮามลูกน บ, บีนัวแล้วก็อีกคนนึงชื่อว่ายาฟิสยาอลีฟฟาอัลกัตตูซาเป็นลูกคนที่สามของน บ, บีนัวซึ่งเวลาก็บอกว่าอ้าวเผ่าพันธุ์นี้มาจากประฮอนไหนก็ไล่ไลไปจนกระทั่งว่ามันไปสุดน บ, บีนัวเวลาเขาไล่ตระกูลเนี่ยมันจะไม่สุดน บ, บีอาดัมนะเพราะถือว่าน บ, บีนัว เ, นเป็นอาดัมคนที่สอง ไอ้ลูกหลานนาบีอาดัมเนี่ยตอนน้ำท่วมโลกน้าตายไปเยอะแล้วเหลือเฉพาะผู้ศรัทธาเขาก็นับใหม่ถึงนบีนัวลากไปอ๋ออันนี้เป็นไปนสุดที่ไหนล่ะเช่นประวัตินบีนับนบีมูฮัมหมัดลูกอับดุลลอห์อับดุลลอห์ลูกอับดุลมุตตอเลฟไล่ไล่ไปไล่ไปไล่ไปเวลาไล่กันไปนู่นไปถึงซามลูกนบีนัวเวลาเขาไล่เขาลแบบนี้จะผิดพลาดยังไงกันแล้วแต่แต่ว่าธรรมเนียมในการดูสายตระกูลของขดูแบบนี้ ตอนนี้แต่ถามว่าคนไทยละลูกน บ, บีนุ่งคนไหนผมก็ไม่ทราบตอบไม่ได้เพราะว่ามันไม่ใช่แค่ลุนน บ, บีนุ่งอย่างเดียวแต่ว่ามันมีผู้สักไทยเจ็ดิบกว่าคนทั้งชายทั้งหญิงมาลายูละ่ะมาทางสายไหนบางคนบอกสายนี่บางคนบอกสายนู้นก็วบละวะลัมก็มีข้อนาเสนอมา ก, กันโนมันจะนู่น ม, มาจะนี่แต่ว่าจริงแท้อย่างไงก็ต้องไปคุยกันทางวิชาการอันนี้เล่าให้ฟังนะแล้วก็การแบ่งเหตุการณ์น้ำท่วมโลกมีผลทางวิชาการเยอะเกี่ยวกับ แบ่งตระกูลภาษามีผลเยอะภาษาเซมิติกซึ่งเป็นภาษาหับอยู่ในตระกูลนี้เนี่ยชื่อมาเซมิติกเอามาจากไหนล่ะเอามาจากชื่อซามลูกของนบีนวัวก็มีเรื่องความเชื่อเนี่ยคนนักไอคนที่ตั้งชื่อเนี่ยไม่ใช่มุสลิมเราเป็นนักภาษาศาสตร์ชาวเยอรมันแต่ว่าทำไมล่ะก็ใช้ชื่อที่อยู่ในคัมภีร์ไบเบิลซามเนี่ยเวลาเขียนเป็นภสะกิดคือแซม S-A-M เนี่ยคนชื่อแซมชื่อแซมเนี่ยเอามาจากลูกนบีนวัวชื่อฝรั่งเนี่ยแต่ก่อนรามีแซม แซมเราจะเป็นดาราโยนนั้นพมรตีเนี่ยแซมก็คือซามนี่แหละเอามาจากไหนเอามาจากชื่อฝรั่งเอาฝรั่งเอาชื่อแซมมาจากไหนล่ะอ๋อเอามาจากลูกนบีนัวภาษาอ раб ออกเสียว่าออเสว่าซามอันนี้ก็เล่าให้ฟังเป็นเกจประวัติศาสตนะครับอ้าวต่อมาที่ผมพูดก็คือว่าเกี่ยวกับการอ่านบิสมิลลาฮิมัจเรฮาอันนี้เป็นประเด็นเกี่ยวกับการอ่านนะไม่เกี่ยวกับความหมายไม่เกี่ยวกับตัฟซีดอะไรทั้งสิ้น มัจรหาเนี่ยในภาษาอังกฤมันมีอามันมีอีอาอีอูสามเสียงใช่ปะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราไปดูายละเอียดในบางเผ่าเนี่ยมีอ่านแบบอิมาละอ่านระหว่างฟัทฮะกับกัสรอถ้าอาจารย์หวังมาเนี่ยอาจารย์หวังกลับไปอยังกลับไปแล้วนะ คือมัจเรฮ่าเนี่ยไม่ใช่มัจรอฮามัจเรฮ่าไม่ใช่อไม่ใช่อีมัจเรฮาอ่านระหว่างฟัดฮะกับกับกัสรอในกิรออาฮับอันอาซิมที่เราอ่านทุกวันนี้เนี่ยไม่มีคําไหนอ่านอิมาระเลยมีเฉพาะคํานี้คําเดียวเป็นคํายกเว้นกิรออาแบบฮับเป็นอาซิมนะแต่ในกิรออากิรออาอื่นมีอ้าวแถมอีกพี่น้องพี่น้องเวลาอ่านก็อ่านเนี่ยพี่น้องเห็นคำว่าวัดดูฮามั้ย วัดดูฮานทำไมตังวัดดูฮานเนี่ยตัวฮาทําไมมันเขียนเป็นฮาในเลือนยาไม่ไม่เขียนฮาเขียนไปเคยตั้งคําถามไหมเป็นน้องเปิดกว่าวัดดูฮาเนี่ยฮาเนี่ยมันเขียนเป็นคืนออลิบในเลือนยานือออกไหมทําไมมันวัดอ่านวัดดูฮาแต่มันไม่เขียนอลิบขึ้นไปละ่ะจะได้จบจบอ่านฮาเหมือนกันหรือว่าในหลายๆที่ทําไมต้องมีอลิบในเลือนยาคือกูอ่านฉบับที่เราอ่านอยู่ในพี่นอ้องเป็นของอุษมาน อีมีอกฟานทําการรวมกัมภานแล้วก็เขียนจดบันทึกไว้ข้วนี้เงื่อนไขของการอ่านกัมภานเนี่ยโอ้หนี่พูดยาวแล้วเนี่ยนะครับอันไหนทำไมเข้าใจเนี่ยบอกได้อจะทวนให้ใฟังเงื่อนไขของการอ่าน ก, ากาัมภานกิรออามานจะสมัย น, นบีนบะีเยอะเต็ไมไปหมดเลยพี่น้องนบนะีไม่ได้อ่านกิรออาเดียวนะที่บอกว่ากราราิรออาซาบะอาเนี่ยไม่ได้แปลว่าเจ็ดตรงๆแต่แปลว่าเยอะมีหลายกราิรออาปัจจุบันที่เหลือมาถึงปัจจุบันที่วะซอเฮียเนี่ยมีสิกิรออาแล้ว ไม่เด็ดเจดกิรออาอีสิบสี่เป็นชาติบางคนบอกยีบเอ็ก็แล้วแต่กิรออามีเยอะพอถึงสมัยอุสมานแล้วเนี่ยก็เลยตั้งเงื่อนไขว่ากิรออาไหนเนี่ยจะเป็นกิรออามุตะวาเตแตแปลว่าเป็นกิรออาซึ่งมีหลักฐานมั่นคงสายรายงานถูกต้องและก็ใช้ในการละหมาดได้กิรออาชาตเนี่ยพี่น้องก็อ่านว่าแบบกิรออาชาตเป็นกิรออาซึ่ง เแยกออกไปเนี่ยอ่านได้แต่อ่านนําละมานไม่ได้นะเออมีประเด็นอีกคันนี้สามเงอนไขผมไม่ไปเรือกเอะจะงงหนึ่งคือตกถูกต้องตามหลักภาษาหลักกีราอิทีจับบมุตะวตัดเด็มีสายรายงานมุตะวตัดเด็ดไม่ใช่ตักตั้งเองแต่ว่าสืบสายรายงานได้ไปถึงนบีสมตรงกับการเขียนของมุสลับของอุสมาอิมอลฟานสามเงอนไข ตรงตามหลักภาษา阿拉伯นะครับมีสายรายงานที่ถูกต้องนามมุตะวดัดเต็ด้วยแล้วก็ตรงกับการเขียนของมุสชัฟกรานที่เขียนโดยในสมัยของอขอริฟาทอุสมัยมุอาฟานครั้นี้ในบางกรอ่านเนี่ยเขาไม่อ่านวัดดูฮาเขาอ่านวัดดูเฮอ่านอีมาละเหมือนกันถ้าเราเขียนวัดดูฮาเนี่ยวัดดูฮาเดือดกับตัวอลิบเลยเนี่ย อกิกรอ้ออื่นซึ่งอ่านในวัดดูเฮเนี่ยมันก็จะขัดกับตัวเขียนพี่น้องเข้าใจไหมเขาจึงเขียนอเล็บในเรือนยาเขียนเผื่อกิรอ้ออื่นด้วยซึ่งมันไม่ได้อา่านอ่าตรงๆเนี่ยมันอ่านแบบมัจเรหาอ่านเป็นอีมาละคือกิรอ้อที่เราอ่านเนี่ยเป็นแค่หนึ่งในกิรออและหลายกิรอ้อเต็มไปหมดเลยในโลกพี่น้องแต่ว่าเราอ่านกิรอ้อฮักบินอาเซม ท่านนี้เวลามุสลิมผูสมานเขียนเนี่ยเขาไม่ได้เขียนเอาใจกิรออาที่เราอ่านอย่างเดียวเขาก็เขียนเผื่อกิรออาอื่นด้วยนะครับบิสมิลลาห์เขาว่ า, วาถ้าเราถ้าเข า, า, าเขียนว่าบิสมิลลาห์มัจรอฮ่เราอาร่านมัจเรก็ไม่ได้เพราะไม่ตรงกับมุสลิมเขาเขียนอะลิบนเลือนยานเนี่ยเขียนเผื่อการอ่านแบบอิมาลักอันนี้ก็เป็นสาเหตุหนึ่งจะไปต่อไหมเนี่ยเอ้าไหนๆก็เล่าแล้วเ่าให้ฟังเกี่ยวกับกิรออาเนี่พี่น้อง ฮักบิ n อาเซมดีโรอาอยู่เนี่ยเป็นกิรอาที่มาจากกูฟากิโรอาเนี่ยเอาทวบุทธวัตเต็จะมี1ิบกิรอามักกะหนึ่งผจะนับบดไว้เนี่ยมาดินา ห, หนึ่งไม่นับดีกว่ามีกิโระมักกะมีมาดินามีชามมีบัสล้แล้วก็มีกูฟาอันนับเขา่ขาข้าแบบนี้ละกันนะครับนี่เป็นหัวเมืองซึ่งนักอา่นอานเนี่ยอ่านแล้วก็ทุกนักอา่านเนี่ยก็จะมีสองรวายะ ฮัฟเนี่ยเป็นเรวายะหนึ่งของอาซิมอาซิมเนี่ยเป็นนักอ่านที่กูฟ้าแล้วก็มีรรวายะหนึ่งของฮัฟที่เราอ่านอยู่แล้วก็มีอีกเรวายะหนึ่งอิกนูกาซีก็เรวายะหนึ่งเรวายะหนึ่งเอ่ออะไรล่ะฮัมซาเอาเรวายาเรวายาสิบกิโลอา์แล้วก็แบ่งเป็นสองรวายามันก็จะเพิ่มเพิ่มไปอันนี้จะพมุตตะวะเตนนามปนนับชาติในสมัยก่อนเนี่ย เราไม่ได้อ่านฮักบินอาซิมไม่ค่อยไม่ค่อยอ่านฮักอันอาซิมไม่ใช่บินอาซิมฮักไม่ได้เป็นลูกอาซิมนะฮักเอาจากอาซิมแต่กอนเนี่ยเคียร์อาที่นิยมเนี่ยเป็นเคีร์อาอิมูอาเม็ดของชามเคียร์อาซึ่งนักอ่านเป็นของของประเทศชามชามก็คือประเทศซีเรีย Lebanon, Jordan, รเลบานอนจอแดนไบสไตลยปัจจุบันตะกอนนิยมมากกว่านะข้อนี้ และกิราอัฮัฟนี่มาดังตอนไหนตอนที่ว่าอาณาจักรออตโตมันสมัยหลังนะพี่น้องก็จะออตโตมันไหมตุรกีเนี่ยลมสลายหลังสงครามโลกครั้งที่หนึ่งออตโตมันเนี่ยสนับสนุนมัสยับอบูฮานีฟาฟิกเนี่ยมีหลายมัสยับครันี้ผู้ปกครองก็จะเลือกว่าจะมัสยิดไหนในช่วงออตโตมันเนี่ยเขาสนับสนุนมัสยับอบูฮานีฟาอันนี้ไม่ได้คุยประดิษฐ์ไม่ได้ไปคุยประเด็นถูกประเด็นผิดนะแล้วก็ในกิราอัลเนี่ยในสมัยออตโตมันก็สนับสนุนกิราอัฮัฟ อันอาซิมเทียวอาด้วยบางทีสมัยก่อนเนี่ยเป็นของอิมนนอาเม็ดของเกลอาของประเทศชามไม่ได้บอกว่าไหนดีกว่าันไหนแต่เล่าให้ฟังว่าทําไมเอเกลอาฮัฟที่เราอ่านเนี่ยจึงเป็นที่นิยมกันมากแล้วก็แพร่หลายเพราะว่ามันมีการเมืองมาเกี่ยวข้องด้วยไม่ได้ไปว่าไหนประเสริฐวันไหนนะซ้อละหมาเหมือนกันในหมดเลยพี่น้องแต่ว่าทาง อ, อัล ต, ตมันสมัย น, นั้นเขาชูกิลอาอันนี้ขึ้นมาอันนี้เป็นแง่มุมทางทางประวัติศาสตร์นะครับ อาอันนี้เราให้ฟังเพราะว่าเกี่ยวข้องกับการอา่านบิสมิลลาฮิมัจเรฮาวะมุลสาฮะอันนี้เป็นดูอาพีบีน้องเวลาจะขึ้นเรือให้อ่านดูอานี้นะเออกลับไปมองภาพปรติศาสตร์ต่อในบีนัวะอละลฮิสาลามแล้วก็ผู้ศรัทธากี่คนเอ่ยผู้ศรัทธา ป, ประมาณเจ็สิบกว่าคนมาถึงแปดสิบคนแล้วก็ที่เหลือเป็นอะไร เ, เป็นสัตว์ ช้างม้าหัวควายอะไรกันแล้วแต่เนี่ยนะไดนโนเสาร์ล่ะไดนโนเสาร์ขึ้นเรือนบีนัวได้ไหมไดนโดนเสาร์เสาร์สูญพันไปก่อนแล้วนะบางคนยังมากระซิบผมอาจารย์รู้ไหมทำไมไดนโนเสาร์สูญพันทําไมล่ะเพราะมันไม่ได้ขึ้นเรือนาบีนัวตัวมันใหญ่ขึ้นไม่ได้น้ําก็เลยท่วมตายเออจริงจไดนโนเสาร์เนี่ยถ้าเราดูตามไอชั้นถินชั้นอายุดินเนี่ยมันน่าจะสูญพันธุ์ก่อนที่มนุษย์จะมาแล้วนะครับ ดนโนเสาวกับ น, นบีนุ่งห่างกันเยอะเหมือนกันนะไดนโนเสาวมาได้ศูญพันธุเพราะว่าพ่อมาได้ขึ้นเรือนบีนุ่งตัวใหญ่นบีนุ่งขึ้นมาด้าก็เลยศูญพันธุอไม่ใช่แบบนั้นนะเพราะบางทีคนก็มาเล่าผมฟังแบบนี้เหมือนกันเดี๋ยวมันจะไปกันใหญ่อา้าวนบีนุ่งขึ้นเรือผู้โดยสารส่วนมากไม่ใช่คนเป็นสัตว์นะครับแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับ น, นบีนุ่งมีเรื่องเล่าเยอะเช่นทําไมมุสลิมไม่กินหมูล่ะนี่เรื่องเล่านะไม่ได้บอกว่าจริง ว่ตอนที่าสาตว์มาขึ้นเรือขี่เต็มไปหมดเลยนบีนวดถุยน้ําลายออกมาถุยแล้วรอยกลายเป็นหมูหมูก็มากินขี่สัตว์อะไรอุจจาระสัตว์หมูก็เลยสกรปรกมุสิมก็เลยไม่กินหมูอ้าวอันนี้เอาเอาตำนานมาเล่าให้ฟังถามว่าจริงไหมต้องไปดูสายงานซึ่งไม่มีหรือว่ากวนสุอรออ้าวนบีนวดตอนที่อยู่บนเรืออาหารมันก็เริ่มหมดแล้วเหลือแต่พวกถั่วทำยังไงก็อ า, อาหารมารวมกันแล้วก็กวนกันกวนสุอรอกัน เราก็เลยกวนบ้างเป็นเป็นซุนน่านาบีนัวอ้าวอันนี้ก็เป็นเรื่องเล่ามันมีความเชื่อมันก็มีเรื่องเล่าต่อกันมาจริงไม่จริงก็ไปดูสายรายงานแลกันนะอันนี้มันเล่าไอ้ฝังที่มาที่มาธีไปไดนโนเสาร์สุนพันอ้าวก็เป็นนบีนัวมากันเต็ไมไปหมดแหละเรื่องเล่านะครับนบีนัวโดยสารขึ้นเรือผู้โดยสารโสมาเป็นสัตว์แล้วก็ขอบควร น, นบีนัวแล้วก็คนที่ศรัทธา ในอายะที่41อลัลลอฮฺตรัสว่าอินนารอบบีล้ก็ฟูรุนอฮามแน่นแท้อัลลอฮฺนั้นเป็นผู้ที่อภัยโทษและอัลลอฮฺนั้นเป็นผู้ที่เป็นผู้ที่เมตตาเสมอขึ้นเรือไปแล้วนึกภาพบอกไหมพี่น้องน้ําพุ่งึมาจากพื้นฝนก็ตกลงมานาบีโนบบอกขึ้นเรือได้แล้วแต่ก่อนจะขึ้นเนี่ยขึ้นด้วยกับพระนามของอัลลอฮฺบิสมิลลาฮิรราะหิมรุรลาหา์แล้วก็แถมมีนิดหนึ่งนะครับ ในกีรออาฮัฟเนี่ยเราอ่านว่ามัจเรฮาเรเนี่ยเป็นเรื่องของอิมาล่าคุยไปแล้วเมื่อกี้นะคราวนี้ตัวมีมเนี่ยมีสามกิรออาที่อ่านว่ามัจมากที่ละกาเป็นมู่หมดนะมีฮัฟของเรานี่แหละนะครับแล้วก็มีของกาซาอี้ของฮัมซาที่อ่านว่ามัจมัจกิรออาส่วนมากอ่านว่ามุชนะที่เรอ่านทุกวันนี้เนี่ยบางทีก็ไม่ตรงกับกีรออาส่วนมากไม่ได้แปลว่าไม่ซ่อนนะซ่อนเหมือนกันหมดเลยพีน่น้อง เป็นมุตวาเตเหมือนกันหมดแต่ว่ากีอวาดอ่านว่ามุจมุจถ้าไปเจอก็ให้ทราบว่าวกีร้มีหลายแบบเช่นยกตัวอย่างติงอันกิสมตุนดีาดีาเป็นตัวยาแต่กระขอกัซีรกอ่านว่าติงอันกิสมตุนดีจาอ่านเป็นตัวฮัมจานี่คือการออกเสียงที่ต่างกันได้พูดผมพูดได้เยอะนะครับถ้าเริ่มภาษารพูด้เยอะแต่ว่ามันจะไปกันใหญ่ อ้าวต่อมาครับในอายาที่42กลับมาสู่เนื้อหาอัลลอฮ์ตรัสไว้ว่าเมื่อกี้ขึ้นเรือไปแล้วนะน้ำท่วมมาแล้วน้ำทะลุขึ้นมาจากพื้นดินแล้วอวฮียาตัจรีบีหิมฟินมาจินอัลลอฮ์บอกว่าเฮียมันในที่นี้ก็คือเซฟีนะาเตเอนบีนวนี่แหละสาวๆหลายคนชื่อเซฟีนะาแปลว่าเรือนะครับ ต่จริบีหิมมันก็เล่นมันได้พาพวกเขาพาผู้ศรัทธากาะโคนาบีนุ่ทีศรัทธานาะแล้วก็บรรดาสัตว์เนี่ยฟีเมายินในขึ้นกันจิบาลขึ้นเท่าภูเขาอันนี้อธิบายภาพไปเห็นเลยว่าน้ำท่วมสมานตบีนวนเนี่ยขึ้นที่มาเนี่ยทะเลมันจะทะเลนิ่งนะลบีนวกับกับลูกเรือก็ เย็นยัชิวชด่านฟ้าชมวิวไม่ใช่นะมีคลื่นทะเลไม่สนุกไม่ไม่สงบแล้วก็คลื่นที่มาเนี่ยกั้นจีบ้านคลื่นเท่ากับภูเขาเปราว่าคลื่นใหญ่มากแล้วก็เรือนี่ยพี่น้องนึกภาพบ อ, อกแล้วกันใครที่เคยออกเรือใค ร, ใครเคยเมาเรือเนี่ยเดียวขึ้นแล้วลงเดี๋ยวขึ้นแล้วลงสภาพตรงนั้นพี่น้องชุกระหุกน่ากลัวไปสภาพที่น่ากลัวพี่น้นองนึกสภาพดูพอถึงเวลาปุ๊บดินแตก น้ำพุ่งขึ้นมาเหนาตอนสัตว์รีตอนสัตว์กินไปก็ควรนบีนวดนบีนวดกลมให้ครอบครัวบางคนขึ้นเรือบางคนบอกไม่ขึ้นลูกบอกไม่ขึ้นฉุกเหลาหุกพี่น้องแล้วบอขึ้นไปแล้วอัลลอฮฺบอกว่าขึ้นโดยกับพระนามของอัลลอฮ์พอขึ้นไปแล้วไม่ใช่จบนาขึ้นทีม้าในพี่น้องขึ้นเทาภูเขานึกภาพบอกไหมไม่ใช่สถานการณ์แบบสบายสบายสถานการณ์ที่เขาคาดจะลําบากแล้วก็ะชุกเหลาหุกอัลลอฮฺเล่าต่อไปว่า นะครับวานาดานูฮุบนาวูนบีนวเนี่ยก็ได้เรียกลูกของเขาลูกของนบีนวนะหัวกานะทำไมเอย่ยฟีมาซีลินลูกนบีนัวคนนี้ที่เราคุยกันเนี่ยมคนบอกชื่อว่ากันอาลมางคนบอกชื่อยามันแล้วแต่นะครับชื่อไหนก็แล้วแต่นะ สภาพตอนนั้นที่นบีนุ่วเรียกลูกให้ขึ้นเรือเนี่ยหัวกานาฟีมะซิลินเขาอยู่อย่างโดดเดี่ยวมะซิลินแปลว่าโดดเดี่ยวโดดเดี่ยวก็คือว่าไม่มีที่พึ่งไม่มีที่ช่วยลอยคออยู่ในน้ําแล้วสภาพที่นบีนุ่วเรียกเนี่ยคือไม่ใช่อยู่บนบนพื้นแล้วก็เรียกนะสภาพคือไม่มีอะไรแล้วมีน้ำมาก็ลุกตัวเองนบีนุ่วเป็นพ่อเรียกลูกว่ายาบุไนยะโอ้ลูกของฉัน โอ้ลูกน้อยของฉันทำไมเอ่ยเอยกรรมมาอาณาขึ้นเรือมาของกับเราเถิดขึ้นมาโดยสารขึ้นมาโดยสารขึ้นมาเวลาตะกุลมาอันกาฟิรินและอยาอยู่ร่วมกับบรรดาผู้ที่ปฏิเสธการศรัทธาเลยในวันนั้นเนี่ยพี่น้ อ, นองมันแยกกันเลยนะจริงๆมันแยกก่อนที่น้ำจะท่วมเร็ว น, บบนปีดุ่ยเผยแพ่เก้าร้อยห้าสิบปีจนกระทั่งถึงจุดพูดได้ว่าเป็นจุดที่อิ่มตัวแล้วคนไม่ศรัทธาเพิ่มแล้วไอ้คนที่ศรัทธากับศรัทธาไปแล้วไอ้ที่เหลือก็ไม่เอาแล้วแล้วก็ก่อนหน้า น, นี้ประมาณสองามอาทิตย์ผมก็เล่าให้ฟังในอายะหลายๆอายะอธิบายภาพของน บ, บีนวกับกลุ่มชนของน บ, บีนัวว่ามีสภาพติดไปเดือดกันไม่ได้แล้วขัดแย้งกันจนถึงขีดสุดแยกไป็สองฝั่งแล้วน บ, บีนัวบอกกับลูกว่า อย่าไปอยู่ฝั่งนู้นเลยที่ปฏิเสธงานศรัทธาเนี่ยให้ขึ้นเรือมาการขึ้นเรือเป็นสัญลักษณ์ว่ายอมรับ น, นบีนุ่แล้วก็ศรัทธานนบีนุ่เพราะเรือเนี่ยใครสั่งให้สร้างอัลลอฮ์สั่งให้สร้างผู้ศรัทธาพอนบีนุ่สร้างเรือบอกอัลลอฮ์สั่งผู้ศรัทธาก็มาช่วยกันสร้างมีการเตรียมตัวเตรียมอาหารกันเพราะศรัทธาว่าจะมีเหตุการณ์ซึ่งต้องใช้เรือนี่คือศรัทธาคนที่ไม่ศรัทธามอว่า บ้าไปแล้วเตรียมตัวกันอะไรกันก็เยอะเย้อถาฐานนั บ, บีนัวอย่างที่ อ, อ, อายะกรัอ่านก่อนหน้าสัปดาสัปดาที่แล้วนึกออกมามพี่น้องฉะนั้นเรือตรงนี้เป็นเครื่องหมายเลยว่าถ้าศรัทธาต่อ น, นัวก็ไปอยู่กับเรือขึ้นเรือตอนที่มีเหตุการณ์น้ำท่วมน้ำทะลุขึ้นมาเนี่ยผู้ที่ปฏิเสธนั บ, บีนัวก็ยังยืนในจุดยืนตัวเองว่าทาไมว่าจะไม่ขึ้นเรืออ บ, บีนัว ไม่ใช่เกี่ยวกับประเด็นเอาตัวรอดมอาตัวรอดนะมันเป็นเรื่องจุดยืนด้วยยังไงก็จะไม่ขึ้นเรือนบีนัวเพราะว่าทําไมล่ะเพราะถ้าขึ้นเรือนบีนัวเท่ากับยอมรับว่าว่าศรัทธาต่ อ, อนบีนัวซึ่งปฏิเสธต่อต้านมาตลอดลูกนบีนัวก็ลูกบางคนนะก็เป็นหนึ่งในนั้นนบีนัวเห็นสภาพลูกทําไมเอยฟีมอซิลินในสภาพที่โดดเดี่ยวจะจมไม่จมอยู่แลว้ว ก็เลยด้วยความรักที่เป็นพ่อยาบุนายาโรกา ม, มานาโอ้ลูกน้อยของฉันทําไมเอ่ยขึ้นเรือขึ้นมาวาลาตะกุมมันกาทีรินยาไปอยู่ในหมู่ชนซึ่งปฏิเสธการศรัทธาเลยถ้าขึ้นเรือก็เป็นเครื่องหมายว่าทำไมเอ่ยเพราะว่าศรัทธาต่ออบีนว่ายาปฏิเสธเลยขึ้นเรือขึ้นมาลูกว่ายังไงเอ่ยในอายาทีสี่สิบสามก็ล่า เขากล่าวว่าเขาคือใครเขาคือลูกนบีนวะนะซาอาวีอิลาเจบารินฉันจะไปอาศัยที่ภูเขาลูกหนึ่งยะซิมูนีมีนันมาซึ่งภูเขาลูกนี้ทําไมเอ่ยจะคุ้มครองฉันจะปกป้องฉันจากน้ําภูเขาน้ามันสูงถ้าไปอยู่ที่สูงก็จะรอดพ้นจากน้ํา นะครับจริงๆไม่หลอดพ้นหรอกภูเขาสูงใช่ไหมแต่ว่าอลลอสบอกว่าหัวเฮตาจีบีหิมฟีเมายินกันญิบานอยู่บนภูเขาสูงขึ้นที่มามันกระลูกทาภูเขาเหมือนกันแต่ว่าลูกในบีนัวเนี่ยทําไมเอ่ยมองว่ายังไงก็จะไม่ขึ้นเรือ ก, กับพ่อเพราะว่าซาอาวีอลิลาญยบาลินจะใช้สิ่งอื่นยะซีมูนีมีนั่นมาปกป้องสันจากน้ํา จะไม่ยอมขึ้นเรื อ, อจะจมน้ํากลัวไหมไม่เป็นไรใช้วิธีอื่นจะใช้ภูเขาไปอยู่ในภูเขาอะไรกัภูเขากั้นน้ํากันน้ําอยู่ที่สูงพอลูกบอกแบบนี้นี่เป็นบทสนทนาระหว่างพ่อกับลูกน บ, บีนัวกอละ่ะกล่าวว่าลาอาซิมันเยาว์วันนี้ไม่มีสิ่งไหนแล้วที่จะมาปกป้องได้อาซิมเนี่ยสิ่งที่ปกป้องวันนี้ไม่มีแล้วนะครับ มินอัมริดและจากการงานของลอจากคําสั่งของลอที่น้ําท่วมเนี่ยมันไม่ใช่อุบัติเหตุหรือว่าอุทกภัยธรรมดาซึ่งเอากลสอบสายอนุอนี่มากันได้แต่เป็นคําสั่งของลอซึ่งทําไมเอ่ยต้องการกวาดล้างผู้ที่ทําไมผู้ที่ไม่ศรัทธาฉะนั้นเมื่อเป็นคําสั่งของลอที่มีเป้าหมายที่จะนบีนนีวขอดูอาว่าไงอย่าให้เหลือผู้ศรัทธาเลย ผู้ที่ปฏิเสธการศรัทธาบนหน้าแผ่นดินขอแบบนั้นเลยฉะนั้นวันนี้อลัลลอฮ์ตอบรับดูอานในบีนัวแล้วก็ส่งน้ำที่มาท่วมเนี่ยเป็นอัมรินละเป็นคำสั่งของอัลลอ์ฉะนั้นวันนี้ไม่มีแล้วสิ่งที่จะทมาทำไมเอ่ยมาปกป้องได้อิลามันราฮิมาเว้นเแต่บุคคลที่พระองค์นั้นทรงทรงเมตตาถ้าอาลัลลอ์ไม่เมตตาวันนี้จมน้าตายหมด ถ้าจะเมตตาทําไมเอ่ยก็ต้องศรัท ธ, ธาต่อต่อนบับดุี๊โนะระหว่างที่พ่อกับลูกคุยกันบิณน้องนึกภาพบอกไหมอับดนลบี๊โนะบอกยาบุนัยยะโอ้ aya, oh, ลูกน้อยขึ้นเรือเถิดลูกบอสอาวีอรเซียบารินไม่ขึ้นหรอกฉันจะไปเกาะที่ภูเขานาบดุี๊โนะบอกว่าคิดแบบนั้นไม่ถูกหรอกเพราะทําไมล่ะกอลาลาอาซิมันเยามากวันนี้ไม่มีอะไรจะมากั้นเด็แล้วเจาวะที่พูดอยู่บิณน้องครับ อวฮาล่าไบเนหูมามันก็มีมีของมากัน้นระหว่างเขาทั้งสองระหว่างนาบีนุกับลูกอะไรเอ่ยอันเมาส์อยู่ขึ้นก็มากัน้นในทีนี้คือคุยกันอยู่ขึ้นเขนมามจาไหนก็ไปทราบแล้วก็บโ ก, กบไปไม่เห็นลูกแล้วอวการน่าเมนั่นมุกรากีนและเขาลูกนบีนุก็เป็นหนึ่งจากบรรดาผู้ที่จมน้ําทั้งหลายคุยกันอยู่พี่น้อง ขึ้นเรือมาไม่ขึ้นจะอยู่ภูเขาบีนัวบอกวันนี้ไม่มีแล้วคงเขาอะไรช่วยไม่ได้แล้วละอาซิมันเย้ามากเจ้าว่าที่พูดอยู่พี่น้องยังคุยไม่ไมจบเลยก็มีอะไรมากัน้นระหว่างพ่อกับลูกเป็นขึ้นกูอ่านแจ้คําว่าขึ้นอันเมาอยู่มากัน้นพี่น้องตัวแมาก่ก็คือขึ้นก็าม า, า, ามอะไรว่าถาถลมอะไรก็มันพัดเข้ามาเนี่ยนะ วากาเนะ่ไม่ น, นมั่นุู้เคกินพอเข้ามาแล้วลูกนบีนนะก็จมน้ำไปไม่ถึงเขานะครับแล้วก็จมน้ำในสภาพนั้นหลังจากนั้นพอดีหมดเนื้อหาพอดีออนบีโนะก็เสียใจแบบนู้นแบบนี้อลัลลอ์ก็บอกว่าลูกนบีโนะที่เสียที่ไม่ศรัทธานเนี่ยไม่ใช่คนในครอบครัวของท่าน คนในครอบครัวท่นคือคนที่อยู่ในครอบครัวของท่านมีเชื้อสายท่านแต่งงานกับท่านเป็นลูกของท่านแล้วก็เป็นคนศรัทธานี่แหละคือคนที่อยู่ในครอบครัวของท่านเป็นเหตุการณ์่วงหนึ่งของนบีนัววันนี้เนื้อหาประมาณนี้นะครับเหลือเวลาอีกนิดหนึง่งผมขอทวนเนื้อหาในวันนี้ครับเป็นซูลูฮุดนะอายะที่สี่สิถึงอายะที่สี่สิาวันนี้สี่อายะสี4สถึงสีาอันนี้เป็นการทวนแล้ว เนื่องจากสัปดาห์ที่แล้วจายาสอนแค่อายตที่38มิผมก็จะเชื่อมใหน่อยอายาตที่39ิคือว่าฟาซาฟัตะละมูนมัญยะตีฮีอาดาบุญยุซีฮีหัยาฮิลูอะลลาฮีอดาบุนโนมกมิมในาอายาตที่39เิเาอลอบอกว่าพวกท่านจะทราบที่ล่อเรียนน บ, บีนว่าทำเรือทำไมเตรียมอาหารเตรียมสะเบียนทำไมเอาสัตว์มาทำไมเนี่ย เดี๋ยวจะทราบว่าถ้าการลงโทษนาจะเป็นยังไงนั่นคืออายาธ่39เหตุการณ์ในวันนี้ตอนที่น้ำมันท่วมแล้วพี่น้องเราเห็นภาพอะไรบ้างหนึ่งสรุปเป็นประเด็นนะครับหนึ่งน้ำที่มามาเจ่ฝนแบบนี้อย่างเดียวมาจากพื้นดินด้วยเมื่อคำสั่งขอลล์มาถึงอิราญาอัมรุนาเมื่อคำสั่งขอลล์มาถึงเนี่ยอลล์บัญชาขึ้นมาเนี่ยน้าพุ่งขึ้นมาจากดิน สภาพเหมือนกับน้ําเดือดที่อยู่ในหม้อนักธรรเสรยเนเนียอธิบัติวันี้พุ่งขึ้นมาเดือดกินนานะครับพอน้ําพุ่งขึ้นมาแล้วเนี่ยมันเป็นสัญญาณว่าเวลาเนี่ยมาถึงแล้วกวารลังโทของลอมาถึงแล้วทําไมเอย่ยอัลลอฮ์ก็สั่งว่าเอหะมินฟีฮามีกุนดินเซวยนิดไหนนี่พอน้ําพุง่งคือไม่ใช่ไปอยู่บนเรือก่อนนาแล้วก็อยู่สักอาทิตย์สองอาทิต์กินข้าวกินปลาเสร็จเอาน้ํามาฝนมาไม่ใช่ อยู่ข้างนอกอยู่แล้วก็น้ํำสัญญาณประมาณน้ำมันพุ่งขึ้นมาแล้วอเ ล, ล็กก็บอกว่าขึ้นเรือไปเลยอยาละคู่อยาละคู่ขึ้นไปเตรียมไว้ก่อนไม่เตรียมก่อนว่าเราอาลขึ้นไปเอาสัตว์ขึ้นไปเอาครอบครัวท่านขึ้นไปยกเว้นไม่ใช่ครอบครัวนบีนน้วทุกคนนะยกเว้นคนที่ไม่ศรัทธาซาบาก็อะไรทีนเก้าลูกที่นบีนน้วได้เตือนก่อนนี้แล้วก่อนหน้านี้แล้วแล้วก็ผู้ศรัทธา กี่คนก็นไม่ทราบแต่กูอาจใช้คำว่าอิลลากอรีนนิดเดียวน้อยที่ว่าเจ8ดคนเป็นการประมาณการจากนักวิชาการจะผิดจะถูกจะข้าเคลื่อนวะเราอะลัมนะครับในยะาที่4ี่เราได้เกตปฏิสารเพิ่มด้วยนะครับว่าภรรยาของนบีนว่วคนหนึ่งทำไมเอ่ยก็เป็นผู้ไม่ศรัทธาเหมือนกันเป็นข้อยกเว้นในอายน่นี้นะแต่ก่อนเราทราบแค่ภรรยาอบุลี นยบิภรยานาบีดลูกอย่างเดียวที่ไม่ศรัทธาวันนี้ทราบเพิ่มแล้วมีภรยานาบีดนัวอีกหนึ่งคนในตับซีบบอมีสองคนหนึ่งคนซึ่งซึ่งไม่ศรัทธาบางคนบอกชื่อว่าวาอีลาอันนี้เป็นชื่อนามนะครับอาจจะผิดอาจจะถูกแล้วก็ลูกนบีนนัวคนที่จมน้ำจนน้ําในอายาที่สี่สิก็เป็นลูกที่มาจากมาจากภรรยาคนนี้ ซึ่งเรื่องราวของพญานา บ, บีนวัวถูกกล่าวในสุวรรณาริามอายะที่สิครับดบลลอมัสล ล, ลินละดีนะรฟูอิมราตานูฮินวัมราตูลพญานบีรุดพยานาบีนวัวถูกกล่าวพร้อมกันเพราะว่าเป็นตัวอย่างที่เาลายกให้เห็นถึงคนที่คนที่ไม่ศรัทธาอันนั้นคืออายะที่สี่สสรุปประเด็นให้ฟังในอายะที่ี่พี่น้องเป็นที่มาของดูอาวะลาะดีจัโดยสารทางน้าเนี่ย บิสบิลลาฮิมัจรรฮาวมุร์ซาฮาเหมือนกับที่บรรดาผู้ศรัทธาในสมัยนบีนุ่งกับ น, นบีนุ่วขึ้นเรือเนี่ยขึ้นเรือ้วยกพรพนามของเราเราก็เลยมาใช้อ่านว่า น, นี่คือดุงอาทำไมเอ่ยตอนที่จะโดยสารทางน้ำนะครับแล้วก็มีประเด็นเลือกยรออในการอ่านออกเสียง มัจเรฮะทาไมอ่านเป็นเอเนี่ยอ่านแบบอิมาลาเนี่ยแบบอ่านแบบเอนระหว่างพัทธะกับกาสระนะครับอินรับบี อ, อัคูละหมอัลลอฮฺอัลัยทูแล้วก็เมตตาขึ้นเรือไปแล้วในอายะห์ที่42ครับอธิบายสภาพเรือของนบฟีนวัวตอนที่น้ําท่วมเนี่ยวัวเฮตัจรีบีหิมปีเมาจินกันจิบ้าลทะเลไม่ได้สงบนาบีน้อง ทะเลที่มีขึ้นท่าภูเขาเนี่ยเรียกว่าทะเลบ้าข้างเรือนบีนัวก็เรือมันใหญ่แหละแต่เวลาอยู่ในทะเลแล้วอะไรมันก็นเล็กหมดพี่น้องแล้วขึ้นขึ้นเท่าภูเขาในใจว่าทะเลนะั้นคุ้มข้างอยู่เนี่ยพี่น้องทําไมเอ่ยวานาดานูฮุบนาหูนบีนัวก็เรียกลูกของตัวเองบางคนชื่อว่ากาันอาบางคนชื่อยามานแล้วแต่ อวกาศนบีมะอ ว, วกาศนบีมะซิลินลูกของนบีนุ่งอยู่ในสภาพไหนน้าท่วมหมดแล้วขึ้นถ้าภูเขาลูกของนบีนุ่งอยู่ในสภาพที่โดดเดี่ยวไม่มีใครช่วยแล้วนบีนุ่งบอกว่ายาบุนายาลูกน้อยของฉันขึ้นเรือขึ้นมายาไปอยู่กับคนที่ปฏิเสธการศรัทธาลูกว่าไงพี่น้องครับซาวีเอลายาบาลินจะอาศัยภูเขาญาสิมูนีปกป้องฉันจากน้ํา นาบินโบอกว่าลาอาซิมันเยว์วันนี้ไม่มีอะไรมาป้องกันได้แล้วมินอัมริน ล, ลาเพราะวันนี้มันไปคําสั่งขอลอดหอลอดสั่งให้น้ําท่วมล้างให้หมดจะเป็นภูเขาจะเป็นอะไรกันแล้วแต่ไม่มีแล้วมีอย่างเดียวก็คือเรือหอลอดนี่แหละเพราะลอสั่งให้ต่อเรือเหมือนกันสิ่งอื่นที่มันจะคําสั่งขอลอดเนี่ยกันไม่ได้แล้ววันนี้พูดไม่รันจบพี่น้องอุวาฮาราไบนาวุมาอันเมาจูอะไรเอย่ย ขึ้นก็มากั้นวาการนั่ไม่นั่นมุกตระกีนแล้วก็เขาลูกนาบีนัวก็เป็นคนหนึ่งซึ่งอยู่ในหมู่ของผู้ที่จมน้ําจมน้ําด้วยวกันแบบกระทันหารได้ขึ้นมากั้นคุยไม่ทางเศษกับพ่อแล้วขึ้นมาเ้าเลยขึ้นมาทับมาอะไรละ่ะแล้วก็จมน้ำตายนะครับง่ายคิดหลายประการจัดเหตุการณ์นี้พี่น้องครับคนในครอบครัวเดียวกันเนี่ยทําไมเอ่ยพ่อดีมันจะแปลว่าลูกดีนะ พ่อดีไม่ได้แปลว่าลูกดีเหมือนกับนบีนัวผัวดีไม่ได้แปลว่าเมียดีจะเป็นหน้องดีการงานเนี่ยมันเป็นของใครของมันแต่ว่าอา้าวผัวดีมันจะเป็นต้องเมียดีแล้วจะเลือกผูชาดีๆทำไมเป็นสามีมันมีเขาเรียกว่ามันมีผลเหมือนกันแต่งงานกับคนดีคนดีก็ชักจูงเราไปนในสิ่งที่ดีแต่ว่าฮิดายะอยู่ที่อัลลอฮ์มีพ่อแม่ดีดี คำสอนคนาศีรษะการละกมก็มีโอกาสที่จะมาถึงลูกแต่ลูกจะดีจะเลวเนี่ยก็อยู่ที่อัลลอฮ์เหมือนกันพ่อแม่ดีหมดเลยสอนหมดเลยแต่ลูกมันไม่เอาฮิดายะมันไม่มาเดี๋ยวก็ท้องบ้างเดี๋ยวก็อะไรบ้างก็แล้วแต่ในปริสาสรมีเยอะพี่น้องลูกนบีเมียนบีพ่อหนบีอะไร ล, ะล่ะลูกะเบียนเมียนบีพ่อนบีผู้คล้องนบีทําไมเอย่ย หลายหลายคนก็เป็นแบบนี้นบีบรอกีมลูกดีพ่อไม่ดีนบีนัวพ่อดีลูกกับเมียไมด่ดีนบีลูดเอาเมียไมด่ดีฟิละอัลหัวไม่ดีเลยแต่เมียเป็นผู้ศรัทธานะครับฉะนั้น อ, อ, อยู่กับคนดีนะทำดีดีล่าพี่น้องแต่ว่าฮิดายะที่จะให้กับคนเนี่ยอยู่ที่อัลลอฮ์นบีดีไม่ดีแต่ลุงล่ะลุงไม่ศรัทธาลุงเลวไหมลุงก็ไม่เลยลุงดีนะ เอ่ออบูตอเลบเนี่ยพี่น้องลุงนบีเป็นคนดีไม่ดีปกป้องนบีทุกอย่างใครจะทํำอะไรหลานเนี่ยอบูตอเลบปกป้องหมดแต่ศรัทธาไหมไม่ศรัทธาเมื่อเรื่องของฮิดายะพี่น้องไม่ใช่ประเด็นดีเร็วหรือคนครอบครัวดีครอบครัวเร็วมันเรื่องของฮิดายะฉะนั้นพยายามนะครับแล้วก็ขอดุอาเยอะๆขออุบาเยอะๆอันนี้คือแนวคิดที่ได้จากประวัตินบีนัวจบย่างยังไม่จบสัปดาหหน้ามันก็มีต่อ ลูกจมน้ำแล้วต่อไปจะเป็นยังไงน้ำแห้งน่าจะเป็นยังไงก็ก็ต่อกันนะครับสวันนีครับวบิิลัทตาฟี่ปนธิดายอัสสลามอวลัยกุมวะราะห์มะตุลลอฮิวเบาะรักตุ